ต่อนน้ไปทุกคนฟังคำแนะนำในการเจริญพุรรมฐานเป็นม น, นว่า์ก็ินสิสตตรองผ่านไปแล้ววันนี้คิดว่าจะสอนอารูปแต่ก็บังเอิญป็นวันศาตร์ไอ้ขือนสอนอารูปเอ้คนที่นั่งขนาไม่มีรูปหมดเห็นไหมจะยมมันน้อย ก็ยังไม่สอนรูปประชาชนก่อนมือลงจะไม่ต้องเวลาฟังใช้เวลานา น, นวันนี้ก็ขอสอนกรรมฐ า, านที่รวมไปพิเศษการเจริญกรรมฐ า, านของบรรดาท่านพุทธบริษัทจริงๆแล้วพทธเจ้าต้องการให้ทุกคนพ้นทุกข์คือไปนิฐานแต่ว่าผลการปฏิบัติจริงๆ ถ้าบาังเอิญเราปฏิพาน์ไม่ได้เราก็พ้นทุกเล็กคือไปสวรรค์ได้ถ้ามีกำลังใจทรงชานก็สามารถไปพรทมโรคได้ถ้ามีจิตสะอาดถึงที่สุดก็สามารถปฏิพาน์ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติกรรมฐานถึงแม้ว่ายังไม่ตายถ้าจิตยังต่ำเข้าถึงอุปจาระสมาธิ มีความเป็นอยู่เป็นมนุษย์ก็มีลมสงบรากสการะก็มาเพราะราบสการะที่จะเกิดนี่เกิดจากความไม่วุ่นวายของจิตถ้าจิตมีความวุ่นวายมากลาบก็กลัวลาบมาไม่ได้จิตมีความวุ่นวายน้อยลาบก็เกิดมากขึ้นถ้าจิตสงบมากลาบก็มากขึ้น ถ้าจิตไม่มีกิเลสเลยลาบมากหนักก็ดูตัวอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสขาตัดกิเลสเป็นสมุติเทาหารเป็นพระอรหันต์องค์แรกของโลกเขาถือว่าเป็นจอมพระอรหันต์แต่ความจริงพระพุทธเจ้าเป็นลูกกษัตริย์มีทรัพย์สมบัติมากแต่ว่าตอนที่ออกมาหาพิเทศเสด็จไม่มีอะไรเลย มีม้ามาตัวหนึ่งกับมีในชันหน้าคนหนึ่งน้าที่สุดม้าก็ตายในชันหน้าก็กลับเพราะว่าเจ้าก็ทรงมีผ้าหนุ่งหนึ่งชดุดผ้าห่มหนึ่งชดุดแต่ต่อมาเมืม่อบรรลุอเบเเซส ม, มาถึงโพธิญาณแล้วอันดับแรกพระเจ้าพิบิสัยก็ถวายพระเวรวันมหาวิหารรายานับจำนวนหลายสิบโก นี่เพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าบทกิเลสแล้วต่อไปเขถวายวิหารจะหลังเนี่หลังหลังเป็นราคาไป็นสิทธิก์กุศโดยเฉพาะอย่างยิ่งยี่หอยเขาหน้วิสาขาผ้าพื้นหนึ่งมีเพื่อนสาวก็บอกว่ามีผ้าอยู่พื้นหนึ่งราคาสองแสนจะหาเป็นะอยากจะปูในวิหารนั้นน้วิสาขาก็บอกว่าไปปูดได้ ผ้าผ้าพื้นไหมมนมราคาจํากว่าพื้นนี้ให้เอาขึ้นมาแลว้วก็บูทับไปตัวแทนเป็นไงว่าเพื่อนหญิงคนนั้นมีผ้าราคาสองแสนตาลึงก้าหาระนาค่าหนึ่งตำลึ ง, ห า, าาาลงหาที่ปูไม่ได้ว่าผ้าปูแต่และผืนเขาแพงกว่าผ้าที่เธอมีอยู่มันก็ลงความมาซับสมบัติทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าก็เพราะใส่พระเจ้าบหมดเลย กันถ้าความวุ่นวายของจิตน้อยลาบก็เกิดมากเมื่อคนที่ปฏิบัติจะมาถานก็ต้องตัดความวุ่นวายของจิตค่อยๆตัดเล็กอันดับแรกก็พยายามตัดโลภความโลภด้วยการให้ทานแต่แรกจริงๆเริ่มต้นในการจเรียนมาถานก่อนที่ทาอะไรทั้งหมด ตีพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในอุทมบัติกาสูตรเป็นพื้นฐานขออวิชาราสามอันดับแรกพุทธเจ้าประกอบจะภาวนาและพิจารณาทั้งหมดให้แผ่เมตตาไปแต่ในไปในจักรวาลทั้งปวงก่อนคำว่าเมตตาคือความรักไม่ใช่แผ่ด้วยใจนึกตามแบบปฏิบัติอันนี้ไม่ถูกต้องต้องเป็นไปได้วยความจริงใจ เราคิดว่าชีวิตของเราเกิดมาแล้วก็ตายความสุขของเราจะมีเกิดขึ้นได้อย่างยด่ยก็คือความเป็นมิตรฉะนั้นเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งโลกคนก็ดีสัตว์ตัดีทั้งโลกดีเราจะไม่เป็นศัตรูกับใคร <c oughs> เราจะไม่มีเวณมีภัยกับใครเราจะเป็ที่รักของคนทุกคนและสัตว์ทุกตัวคิดอย่างนี้คิดด้วยความจริงใจ ตั้งใจทําอย่างนั้นจริงๆแล้วใหม่ๆมันจะลืมบ้างไม่ลืมบ้างอะไรของธรรมดาแล้วก็บริการในสัรกวนาความสงสารเราจะมีความสงสารกัคนและสัตว์ทั้งโลกถ้าใครมีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุขการกําลังของเราและไปริการในสามมุตุตามีจิตอ่อนโยน เราจะไม่ขาทิ่สิยาใครเมื่อใครได้ดีพอยินดีด้วยแล้วก็ที่สยวเบื้ขาวางเฉยเราคิดอยากจะช่วยทุกคนในโลกทุกสัตว์ในโลกให้มีความสุขแต่ว่าในเมื่อเขามีความทุกโอกาสที่ช่วย เ, ร า, เรามันมีเราก็วางเฉยก่อนนี่แปลว่าเบื้องแรกของการเจริญกรรมาฐานทุกคนต้องมีสองอารมณ์ทรงพมิฐานสี่ จึงจะเป็นนักกรรมาฐานที่แท้จริงภาพจิตของทุกคน ท, คนทรงพอมิหาสีได้สิงก็ทรงตัวสมาธิก็ทรงตัวปัญญาก็ป่องใสโฆษณาใหญ่ก็ดีกรรงความว่าพะมิหาสีนี้ต้องมีอยู่ในกำลังใจเขบรรดาท่านพระบริษัทที่เจริญกรรมาฐานไม่ใช่เฉพาะเวลาเจริญกรรมาฐาน คือนในขณะใดาที่เราตื่นอยู่อารมณ์ก็าต้องทรงตามนี้และปฏิบัติตามนี้ใหม่ๆ ม, มันก็จะพลาดไปบ้างอะไรบ้างแต่รขรอธรรมดาอยู่ในเกน์ฝึกเพราเราต้องฝึกถ้าเราสามารถจิดทรงพรมิหารสีได้แน่นอนเรื่องศีลไม่ต้องไปถามว่ามีกี่พิขาบทไม่ขาดทุกไม่ขาดทุกปีาบทไม่บกพร่อง เรื่องสมาธิที่ปฏิบัติขึ้นชื่อว่าจะทาการปฏิบัติสมาธิจะรงสานได้ตลอดวันกำลังวิปัสสนาญาณจะแจ่มใสสามารถตะกิเลศได้แบบรวดเร็วอันนี้ก็พูดกับตามแบบต่อไปก็มาพิจารณาเรื่องศีลศีลทั้งหมดทุกที่ขาบทจะทรงอได้เพราะเมตตาความรักกรุณาความสงสาร ทุกข้อถ้าเรามีความรักจะมีความสงสารสินทุกข้อไม่ขาดในเมื่อเรารักเราสงสารเราก็ทำร้ายเขาไม่ได้ฆ่าเขาไม่ได้สิ่ข้อที่เป็นสิข้อที่สองในเมื่อ ร, รักเราสงสา ร, ร, าาาารก็ขโมยเขาไม่ได้โกงเขาไม่ได้สิ่งข้อที่สามการแย่งความรักถ้าเรารักเขาเราสงสารเขาแล้วก็แย่งความรักเขาไม่ได้ สิ่ี่ข้อที่สี่มูสาวาดถ้าเรารักเขาเรารังษายเขาแล้วก็โกหกไม่ได้สที่ข้อที่ห้าการดื่มสุราเมีัยเป็นของเลวถ้าเรารักตัวเรารักคนที่บ้านแล้วก็ไม่สามารถจะดื่มสุราเมไรัยได้เพราะการดื่มสุราเมีัยมันเลวเราไม่เลวคนเดียวคนที่บ้านเลวไปด้วยวงไปกูลเลวไปด้วยก็เความอันดับที่สองต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธ สำหรับสิงบริสุทธิ์นี่ไม่ใช่บริสุทธิ์เฉพาะเวลาเจริญกรรมฐานก็หมายความเวลาใดที่ยังตือนอยู่เวลานั้นสิ่ต้องบริสุทธิ์เนื่อนักเจริญกรรมฐานอย่างแท้และก็เวลาต่อไปตอนนี้อาจจะเฉพาะเวลาในการต่อไปจริงๆเวลาที่เริ่มภาวนาด้วยพิจารณาตอนนั้นทุกคนต้องระงับมีวรห้าประการมีวรห้าประการนี้เราตัดไม่ขาด จะแตกขาดได้สองข้อต่อเมื่อเป็นพระอนาคามีจะแตกขาดทั้งหมดได้เสมอเป็นพระอรตะผลอันนี้เราตัดเป็นขาดในช่วงนี้เราพยายามระ ง, งับมีวรเป็นคราวๆิวีวรถ้าบริการทำิีวรแปลว่ากิเลสอยาที่ทำบัญญาให้ถอยหลังตอนนี้พวกคนเราต้องทบควนความรู้สึกของตัวเองว่าเราปฏิบัติกรรมฐานและปฏิบัติเพื่อทําลายกิเลส แต่ว่านิวรณ์ห้าเป็นการมันไปนกิเลสหยาบหยาบที่สุดและไปกิเลสชั้นเลวที่สุดสมภารเจ้าจบอกว่ามันเป็นกิเลสหยาบที่ทําบรรยาให้ถอยหลังนี่ก็หมายความว่าขัาน้นใดที่มีนิวรณ์ควนใจไม่ได้ข้อใดข้อหนึ่งเวลานั้นเราเป็นคนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนโง่ วิวัฒนาการมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งกามฉันทะมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระว่างเพศสองความไม่พอใจสความล่วงสี่จิตฟุ้งซ่านเกินไปห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติใจปฏิบัติเพ่มีหลักสูตรเพ่มีระเบียบรู้จักผล ถ้าเราไปจิตหยาบเกินไปเราเข้าใจมันถึงสงสัยเผลการปฏิบัติมันก็เป็นอีวอนตัวที่ห้าคือก็เลยเป็นคนไร้ผลอาการทั้งอย่างนี้จะต้องยับยั้งในขณะที่เราต้องการใช้สมาธิขณะใดที่เราจะใช้สมาธิขณะนั้นต้องยับยัง้งอาการห้าอย่างอย่าให้ปรากฏขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมโนยิทธิก็ดีคือหลังจากวี่ชาวสามและพิญยาตาม ถ้าปฏิบัติแล้วต้องระวังนิวรณ์ตัวสุดท้ายคือตัวสงสัยอย่างการเห็นภาพเราจะเปเรียก็เห็นทางตานี่มันไม่ได้มนุษย์จะเห็นทางตาไม่ได้เห็นเทวดาเห็นเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นพรเห็นทางตาไม่ได้เพราะเราไม่มีตาทิพย์ผู้ที่มีตาทิพย์ก็คือเทวดานางฟ้าหรือพรหมพระร่างกายท่านไม่ทิพย์ตาท่านก็ไม่ทิพย์ อย่างเราเราเขาเนีจะมีได้แค่ทิพระจักษคุญานคําว่าทิพประจักษคุญานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจไร้สาคิดน่าจะหมายความว่าเราฝึกให้ใจเป็นทิดจากนั้นขอบันดาทนะ่านพุทธบริษัทผู้จะฝึกวันนี้ต้องเข้าใจตาม น, นี้นะก็ไปลว่าทบทวนกันใหม่การเริ่มตนน้นของการเจริญกังปัฏามีอะไรบ้างคือหนึ่งต้องมีพรหมีหารสื่อ แล้วก็ไม่ใช่มีเฉพาะเวลานี้นะไม่จําเป็นถก็เราคนมีหางศีลจําเป็นต้องมีต้องจะลืมตามา่อกว่าจะหลับรายการที่สองต้องเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์ฝุดฟองตลอดเวลาตั้งตะลืมตาเมกว่าจะหลับด้วยกันรายการที่สามเราจะระงับยีวอนเป็นคราวๆอันนี้เป็นปเวลาเวลา ระงับตลอดไม่ได้เพราะยังไม่เป็นอนาคามดีอนณาคามีก็ได้สองข้อตนเราจะงัดเฉพาะเวลาที่เราต้องการจิตไปสมาธิเมื่อจิตไปสมาธิแล้วปัญญาก็เกิดปัญญาจริงๆมันมีอยู่แล้วจะเป็นปัญญาขัดอ่อนปัญญาที่เกิดจากสมาธิเป็นปัญญาตะกิเลสก็มีตะชี้ช่งยินดีก็มีนักปฏิบัติรุ่นเก่าแกร่รุ่นกุศลก็มีเยอะ ที่มือความเข้าใจแล้วขอพูดปรญญาตัวนี้นิดหนึ่งปรญญาตัวที่สูงสุดถ้าเราอ่านตามแบบก็จะมีความรู้สึกมันมากมายโดยเกินแบบนั้นก็เขียนอย่างนั้นแบบนี้ก็เขียนนี่แต่ที่สุดเขาเขียนทั้งหมดลงอัดอันเดียวกันคือกระวาดเปสูงขันห้าว่าเป็งร่างกายแต่นี่ถ้าเรามีปรญญากับปพะเทที่เรียกว่า ไม่มีเวลามากเราต้องการเข้าถึงจุดความเป็นพระอาญาเจ้าเร็วเราจะทำยังไงเข้าถืงไปว่าตามแบบมันก็เสร็จไม่จบนึกไปนึกมาไม่ทนันนึ่ครึ่งก็หลักไปแล้วแบบหนึ่งยาวก็ต้องถือตามหลักคำพูดพระเจ้าถ้าเอาจะยาวจะยาวสัหน่อยชีวิตปรัชนายาในะตอนนี้ไ ม, ม่จะสมถานะ ก็นึกถึงคําที่พระท่านปัญสกุลตายเวลาพระปัญสกุลนั่นคือเ ป, ป็นที่ปรัชนาญาณแต่ว่าดีไม่ดีทั้งพระทั้งคนฟังมันไม่รู้เรื่องเป็นที่ปรัส น, นาญาณข้อแรกจะบอกอว่าอดิจาวาสังขาราซึ่งแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอแล้วก็นั่งคิดเรื่อศัพท์นี้มาร่างกายของเราก็ดี ร่างกายคนอื่นก็ดีร่างกายเขาใส่ก็ดีมีสภาพไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นจากเด็กเล็กเริ่มเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่แล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวจากหนุ่มสาวเป็นวัยกลางคนจากวัยคนเป็นคนแก่จากคนแก่เป็นคนตายเพื่อมีาการป่วยไข้มาสมบายเสมอต้องประกอบกิจการเต็มด้วยความทุกข์ร่างกายมันไม่เที่ยงอย่างนี้ต่อไปก็ อ, อุ ป, ปาทวยธรมมีโน ถ้าบ่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปค่อยค่ยคลายอยไปหาความแก่วั น, นหน่อยวันหน่อยวันหน่อยหลายหลายวันก็แก่มากขึ้นอุปัชิตวานีรุชันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในที่สุดร่างกายทั้งหมดที่เกิดมาในโลกนี้มันก็ตายเหมือนกันหมดต่อมาข้อบทะทายบอเตสังมูปะสะโมทโหการเข้าไปสงบกายนั่นเกี่ยวกัความสุข ทำว่าสงบกายก็หมายความมาต่อไปจากชาตินี้ร่างกายอย่างนี้ไม่มีกับเราอีกแ้เราก็ต้องไม่มีร่างกายอย่างเทวดาอย่างนางฟ้าอย่างผมเราต้องการที่จุดต้องการคือนิพพานอันนี้ยาวหน่อยถ้าปัญญาดีกว่านั้นนี่พูดกันทั้งด้านปัญญานตัวปัญญาถ้าปัญญาดีกว่านั้นเอาให้ย่อกว่านี้มานสั้นสั้เขา้า ตามที่พระท่านปังเกุลเป็นตามพระบาลีว่าจิรังวตยังกายโยเอาแค่นี้ก็แล้วกันบาลีไม่ต้องว่ามากซึ่งกันแปลว่าร่างกายโอหนอร่างกายนี้อีกไม่นานนักก็มีวิญ ญ, ญาณไปตัดแล้วสมัยใครอีกไม่นานวิญ ญ, ญาณจิตใจก็ไปจะร่างกายนี้แล้วในเมื่อมันตายก็เป็นวัตถุที่ชาวบ้านเขาทอดทิ้งคนตายไม่มีใครเขาอยากได้ เหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์เราก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าที่พระเจ้ากล่าวี้จริงไม่จริงถ้าคิดอย่างนี้เสมอๆนี่สุขจิตจะสงบจากร่างกายไม่เห็นประโยชน์ของร่างกายแต่ว่ายังนี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่เราก็ประกับประคองมันตามหน้าที่มันหิวก็ห้มันกินมันหนาวหาของอุ่นมาให้มาร้อนหาของเย็นมาให้แต่ว่าถ้ามันตายเมื่อไรนั่นดี เราจะไปสู่ที่ที่สถานที่เรามีความสุขยิ่งกว่านี้และสุดยอดการนี่วิปัสสนาญาณแต่นี่วิธีปฏิบัติาาเป็นนั้นว่าการเตรียมการเบื้องต้นมีพรมิหารสี่ก็ดีมีสิงก็ดีมีสมาธิก็ดีมีปัญญายก็ดีถ้าเป็นอารมณ์อย่างอ่อนดยมีร้ออย่างยิ่งพรมิหารสี่ก็ได้บ้างลืมบ้าง เผลอมั่งไม่เผลอมั่งเผลอน้อยก็ไม่เผล่สูงก็ทรงตัวมั่งเผลอมั่งทรงตัวมั่งเผลอมั่งสมาธิก็ได้บ้างเหลวไหลบ้างเลือนไปบ้างปัญญาก็คิดได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างนี้ท่านถือว่าทุกอย่างอยู่ในขั้นคณิกะสมาธิด้วยความจริงทุกคนถ้ามีจิตขัน้นอยู่ในขั้นคณิกะสมาธิถ้าเวลาจะตายจริงๆ ถ้าจิตใจที่เป็นอารมณ์สมาธิทรงอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสติมีความสำคัญคื อ, อ, อ, อพุทธานุสติก็ น, นึกถึงพระพุทธเจ้าเพียงแค่นี้ถ้าปรากฏภาพพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นแค่นี้ทุกคนไปสวรรค์หมดนี่กาลังวัชการเจริสมาธิอย่างเบาถ้าทุกคนมีกําลังสมาธิขั้นอุปจาระสมาธิ คือว่ามีปีติมีความอิ่มใจพอใจในการเจริญสมาธิหรือปรนาญาณถึงแม้ว่าจะส่งพรมิหารสี่ก็ส่งพรมิหารสี่ด้วยความเต็มใจไม่ใช่จาใจอย่างข้อแรกการจะส่งสินก็ส่งสินด้วยความเต็มใจการเจริญสมาธิก็ส่งสมาธิด้วยความเต็มใจแต่ว่ากำลังใจยังไม่ถึงฐานส ม, มาบัติยังมีความทุ่มชื้น อย่างนี้ถ้าเวลาตายแจกคนท่านบอกว่าให้เลือกสวรรค์ได้ตามชอบใจสวรรค์หกชั้นนี่จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เลือกไปตามชอบใจไปสวรรค์ก็แน่ถ้ากาลังใจแน้วแน่กว่านั้นมีจิตทรงตัวเป็นฌานตายจากความเป็นคนก็ไปพรมโลกแต่นี้ถ้าเราฝึกวิปัสสนาญาณวาิจ า, วารวิสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงน้อยอก็ดี ถ้าเจริงวป็ยังกายโยทุ่ร่างกายนี้ไม่ใช้วิญญาณก็ไปแล้วเป็นเป็นพระเป็นภาระเป็นของที่จะบ้านเขาทิ้งเหมือนก็ทถ้อนไม้ที่ไรประโยชน์ร่างกายไม่ประโยชน์เราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้ถ้าบังเ อ, อิญเวลาใกล้จะตายทุกขเวทนามันมากจิตใจมาน้อมถึงตรงนี้ว่าร่างกายนี้ไม่เต็มไม่ไความทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกเพียงแค่ น, นี้ แล้วตายเวลานั้นไปนิ้ผ่านทันทีนีว่าครับถึงอ น, นีตทรงให้ฟังเพราะวันนี้เป็นวันพิเศษถ้าทุกวันสอนเรื่องศีลถ้าวันนี้คิดว่าจะสอนอารมปรชานก็ถือว่าไม่เหมาะบรรดาญาติโยมพุทธศาสน์ใหญ่แต่นี้ต่อไปก็มาพูดถึงการมโนยิทธิเพราะเวลามันมากคําว่ามโนมยิทธิแปลว่ามีลิทางใจอันนี้ก็ขอบอกบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทราบ ว่ามาโนยิทธิเขาปฏิบัตินยังไงมาจากไหนคำว่ามาโนยิทธิจริงๆมาจากกรรมฐานสามกองมโนยิทธิแปลว่ามีลิทางใจเนี่ยเป็นหลักสูตวิชาสามร่วมอจิญญาหกเป็นกรรมฐานสามกองกองที่หนึ่งเรียกว่านาปานสติคือรู้ลมหายใจเขาออกในกรรมฐานสี่สิบ กองที่สองเป็นพุทธานุสติว่าขณะที่รู้ลมหายใจเขาออกครูจะได้ดังไปนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึง่งนี่การนึกถึงพระพุทธรูปก็ดีการนึกถึงพระพุทธเจ้า ก, ก็ดีเป็นพุทธานุสติในกรรมาฐานสี่สิบนี้การนึกถึงพระพรูปเราต้องนึกถึงสีถ้าบังเอิญพระพุทรูปองค์นั้นสีทองเป็นสีเหลือง เรามีความรู้สึกว่าพระองค์นี้มีสีเหลืองเวลานั้นเป็นกัสินเป็นปิตะ ก, กัสินถ้าบระทรูปสีขาวเป็นโอทาเกลสินสีเป็นกัลสินองค์เป็นพุทธรูปถ้านึกถึงองค์ท่านเป็นพุทธางคีนึกคือสีเป็นกัลสินถ้าพวะทรูปเป็นแก้วใสเป็นอาโลกัลสิน ตอนนี้ก็มีหลายคนนี่ก็ถามว่าวโนยิธิมาจากไหนบอกเขาเลยนะบอกให้เขาทราบว่ามาจากกรรมฐานสามสามกองในกรรมฐานสี่สิบรวมกันเกอนหนึ่งอนาป า, านุสติจลมให้ใจเข้าออกสองพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าสามเกสินนึกถึงสีของพระพุทธเจ้าจะเด้ทราเวลาจเจริญจริงๆ ก็ใช้กําลังขั้นต้นแค่อุปจารสมาธิแต่ว่าพอจิตเข้มแข็งก็ใช้กําลังเข้าถึงฌานสี่เอาวิธีปฏิบัติดีกว่าวิธีปฏิบัติอันดับแรกธรรมดาญาโยมพุทธบริษัตรู้ลมไม่ใจเข้าออกือเวลาให้ใจเข้าก็นึกตามวันะมะเวลาให้ใจออกมานึกตามวะพระพระธรรมนาไม่สีคค่ธรรมกนมะวะพทะ ท่านก็ถามว่านมาภะทัมาจากไหนก็ตอบว่าเป็นภาพ4สี่ในกรรมฐาน ส, สี่สิบถ้าภาวนาว่าน า, านมาภะทัก็รวมเป็นกรรมฐานสี่กองร่วมกันคือหนึ่งรู้ลมหายใจเขาออกเวลานาปาโนสติสองนึกถึงพระพุทธเจ้าพระรูปเป็นพุทธานสติสามนึกถึง น, นึกถึงสีของพระพุทธรูปเป็นเป็นกสิน ก็เจ็สี่ภาวนาวนามะปะทะเป็นภาตุสีในการมานทงสี่สิบก็ดินน้ำลมไฟเวลาหายใจเข้านึกว่ามะไปหายใจออกนวภระทะและนี้ครูจะให้ภาวนาเป็นแค่สิบนาทีพอหลังจากสิบนาทีไปแล้วครูก็จะเข้าไปแนะนําแต่ถ้าว่าขนาดที่ท่านภาวนาสิบนาทีนี้ยองยันนึกว่าเวลาเล็กน้อยบางมิจฉาเล็กน้อยเดียวมันมาก ในช่วงสิบนาทีนี้อาจจะมีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกอาจจะคิดนัน่งคิดนั่งคิดนี่ลืมภาวนาไปบ้างก็ได้แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของอารมณ์ใจที่เราคบมีบอนมานานไอ้ตัวคิดเล่าเรื่องอราวเราเป็นมีบอนพอเรารู้สึกตัวก็เริ่มจับอารมณ์ใหม่รู้ลมหายใจเข้าจะออกภาวนาตามหลังจากนั้นเมื่อมีคนเข้าไปนั่งกลางวงหรือคนก็นั่งขนา ให้ทราบว่าคนั้นจะเข้าไปแนะนำตอนนั้นเขาญาติโยมทุกคนหยุดภาวนาทันทแีแล้วก็เลิกสนใจโลภ ใ, ใจเขาออกเขาจะได้ดำด้านธรรมะในด้านการปักกิเลสให้น้อมใจไปตามเสียงตั้งใจฟังตามเสียงเขาพูดน้อมใจไปตามขณะที่ฟังธรรมะอยู่เวลานั้นจิตจะค่อยๆว่างจากกิเลสชั่วคราว เขาเห็นว่าจิตว่างมากแล้วจ้จิตที่เราเข้ามามีความเป็นทิพย์ไม่ได้เพราะกิเลสมันหุ้มพอเมื่อจิตห่างจากกิเลสจิตจะเปสภาพใสความเป็นทิพย์ก็เกิดนี่คำเป็นทิพย์ขอพูดทิพหน่อยคําว่าทิพยานี้ไม่ได้แปลรูปตาเป็นทิพย์แปลว่ามีความรู้สึกภายใจใคายตาทิพย์คือใจเป็นทิพย์ตันเองนี่ใจเป็นทิพย์ที่บรรดาญาโยงพุทธบริษั์ได้เป็นได้ไม่เสมอกันไม่ใช่น้าไม่ชิครูแบ่งให้น้อยไม่คิดอย่างนั้น ก็จะว่ากำลังใจสะอาดไม่เท่ากันถ้าท่านผู้ใดใจสะอาดมากท่านบนนั้นจะมีจิตจะสะอาดมากแล้วก็มีความรู้สึกทางจิต ด, ด้วยจิตเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสด้วย จ, จะชัดเจนมากแล้วถ้าใจสะอาดกลางกลางจิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพไม่ชัดนักถ้าสะอาดน้อยจิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตไม่เห็นภาพ แต่ทั้งนี้คอยเชื่ออารมณ์แรกอารมณ์ความรู้สึกแรกเป็นที่มันถูกต้องเสมอให้ช่วย อ, อารมณ์นี้ใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นความรู้ความเห็นยังยังไม่มีในเมื่อครูพูดสอนก็ถามว่าเวลานี้มีความรู้สึ ก, กว่ามีผู้ใดยอยู่ข้าหน้าบ้างเขาถามถึงความรู้สึกถ้าท่านที่ได้อย่างอ่อนมากมีความรู้สึกแต่ไม่เห็นภาพท่านที่ได้อย่างกลางมีความรู้สึกเห็นภาพไม่ชัดผิดเห็นไม่ใช่ตายเห็นนะ ท่านดีได้อย่างเข้มค้นสะอาดมากมีความรู้สึกข้อดีพลาดชัดเกนจนแจ่มใสามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ตอบตามความรู้สึกจะไม่ผิดแต้อย่าสงสัยแล้วก็ถาว่าท่านคนนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกถาว่าท่านคนนั้นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกหลังจากนั้นเขาจะได้นาให้ท่านไปพะจุลามุนีจีรีสถาน เชื่องตั้งอยู่ที่สรวรรค์ชั้ น, นดาวดึงเป็นที่นิมัสการของเทวดารุกทมหลังจากนั้นที่มีใจเข้มแข็งพอเขายึนะนาให้ไปที่ทิฏฐิผ่านอรบันดา ญ, ญาโยมพระพุทธศาทุกท่านตอนนี้ไปขอทุกท่านหันหน้าไปทางพระพุทธรูปตั้งใจสมาทานศีลมาทานประจันาน